อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมาราปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะซึ่งรายการธรรมาราปรุณนี้เราพบกันในวันนี้นะคะเป็นเช้าของอวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ข้ามเดือน12ปีมะโรงนะคะซึ่งในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นรายการธรรมาราปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระอาจารย์ไพบูลพภิปุนโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรกเลน ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนั้นเนี่ยท่านก็จะได้มา อ, อยู่ในช่วงของการสากาัะชาก็คือสนทนาธรรมะก็นําประเด็นปัญหาต่างๆหรือว่ามีปรมประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะทีะ่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านนี้มาเสนอกันนะคะหลังจากที่ทุกท่าน ท, ทุกวันในวันธรรมดานั้นท่านก็ได้เมตตาที่จะมาะพูดคุยในประเด็นของ ว่าผู้ศาสนาเหล่าในประเด็นต่างๆหยิบยกมาคุยกัน อ, องค์เดียวตลอดสัปดาห์นะคะและในวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสักการะซึ่งดิฉันก็มีบุญมากเลยนะคะที่จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะซักถามปัญหาหรือนำอเรื่องของพุทธวจนะหรือว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยค่ะ ที่มาเกี่ยวพันกับชีวิตของเราแล้วก็นํามาพูดคุยเป็นประโยชน์เนี่ยนํามาเสนอหรือว่าพูดคุยซักถามแทนท่านผู้ฟังกันเป็นประจำนะคะเช้าวันนี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังมากราบน้อมสักการพระอาจารย์ไพบูณพิ่บุญโนแห่งวัดป่าดอนไหสุกพร้อมกันนะคะก็ขอกลับน้มสักการเจ้าข่าพระอาจารย์เจ้าขะเตือนพรานใช่ค่ะทเจ้าค่ ะ, ะ, ว, คะวันนี้เราพบ ก, กันเป็นวันเสาร์กลางเดือนพฤศจิกา ย, ยนแล้วนะเจ้าคะวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลย อ, อีกไม่นานเท่าไหร่เนี่ยก็จะถึง วันสิ้นปีพุทธศักราช2555แล้วนะเจ้าคะ่ะซึ่งพอขึ้นปีใหม่เนี่ยหลายๆคนหรือว่าพอใกล้ปีใหม่เนี่ยหลายๆคนอย่างโยมเองเนี่ยก็จะเริ่มคิดละว่าเออในปีหน้าเราจะทําอะไระชีวิตของเราจะเจริญรุ่งเรืองไหมก็เป็นความหวังว่าเราอยากจะมีความสําเร็จมีความรุ่งเรืองในชีวิตนะเจ้าคะ่ะวันนี้ก็เลยอยากจะข อ, อะความเมตตาพระอาจารย์ไพภูพณีพเพิ ณ, พณโนเจ้าคะ่ะว่าอยากจะข อ, อะกราบ นักการเรียนถามถึงว่าตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าค่ะอะไรเป็นสิ่งที่บุงบอกว่าคนเราเนี่ยเจ้าคะ่ะเป็นคนที่เราสําเร็จมีความสําเร็จในชีวิตละนะเจ้าคะแล้วก็การที่เราจะประสบผลสําเร็จในชีวิตนั้นเนี่ยเราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรเจ้าค่ะก็ขอกราบนิ ม, มนต์พระอาจารย์พบูตอภิพุโได้เมตตาสักกะชาเลยเจ้าค่ะเรียนพร้อ อันนี้ก็คือถ้าพูดถึงความสําเร็จก่อนอะไรเป็นอที่เราจะวัดว่าชีวิตเรามีความสาเร็จนะคือเดินใ จ, จาทางคนทั่วไปก็จะเข้าใจตั้งแต่เรียนแล้วต้องมีเงินมากเอาเรียนจบต้องมีชื่อเสียงเกีรยริยต์ทำงานดีอา่าใช่รหรือ บ, บางคนถ้าอเป็นแม่บ้านเป็นอะไรก็ต้องมีลูกมีเต้ามีญาติมีเพื่อนมีฝูงอย่างเงี้ยรักใคร่เอ็นดูอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าอยู่ในวงราชการคุณก็ต้อง มียศตำแหน่งหน้าที่การงานถ้าเป็นเอกชนก็ต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าตุงๆพวกนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวัดความสําเร็จที่เรียกว่าเราได้รับการบอกอบรมสั่งสอนเป็นเหมือนกับสังคมเขาว่ากันอย่างเงี้ยเรียกก็เป็นค่านิยมของสังคมใช่ใ ช, ใช่ไม่ว่าสังคมยุคไหนก็จะเป็นลักษณะนี้ อ, อ, อรวมถึงเรื่องความมีอายุยืนด้วยแล้วก็ แม้ถ้าคนที่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าก็จะพูดว่า อ, อยากไปสวรรค์ใช่สี่กรณีนี้นะคือสี่อย่างเนี้ยผู้รชาจกบอกว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนารักใคร่ชอบพอยินดีพอใจะนะคือหนึ่งเรื่องเงินนะมีเงินสองมียศมีญาติมีเพื่อนฝูงดีอันนี้คือข้อที่สองอนะข้อที่สามคือมีอายุยืนนะไม่ไม่เจ็บป่วยไข้ามากนะข้อที่สี่ก็ไปสวรรค์ สี่อย่างนี้เป็นธรรมะที่ใครๆก็ปรารถนารักใคร่ปอใจถ้าเราต้องการทํำคือถ้าเราต้องการ4อย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะทำยังไงอันนี้จริงๆเป็นคําสอนที่พุทเจ้าสอนไว้ตรงเป๊ะๆเลยกับตัใจก็บอกว่าธรรมะสอย่างนี้เป็นธรรมะที่ใครๆก็ปรารถนาเราจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคือพุทเจ้าก็พูดถึงธรรมะอีก4อย่างหนึ่งสี่อย่างเนี้เป็นผลน ะ, ะผลของเหตุอะไรนะเหตุ4ี่อย่างแรก ผู้เช่าพูดถึงเรื่องศีลมีศีลมีศรัทธามีจากขะมีปัญญาศีลศรัทธาจากขะปัญญาจะทำให้เกิดผลนะคือมีปกกระซับมียศมีชื่อเสียงมีอายุยืนแล้วก็ไปสู่สวรรค์ได้ <Okay. S 1> ทีนี้ที่ประเด็นที่ต้องการพูดในวันนี้นก็คือว่าไอศีลศรัทธาจากขะปัญญาเนี่ยเราได้เคยพูดมาหลายละ เนาะสีแล้วเราพูดกับทุกตอนเลยด้วยซ้ำอ่าให้เป็นคนมีความเขาเรียกว่ามีความเป็นปกตินะมีมีเจตนาตั้งไว้ว่าจะไม่ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติคคอ่ามีเจตนาตั้งไว้ว่าจะไม่ถือเอาทรัพย์อันโชคร้ายให้อยู่เป็นปกติอ่ามีเจตนาว่าจะไม่พูดโกหกอยู่เป็นปกติมีเจตนาที่จะไม่ดื่มสุรามีอะไรอันเป็นที่ตายความประมาทอยู่เป็นปกติ รวมถงการประพฤติในกรมด้วยก็มีเจตนาตั้งไว้ว่าจะจะไม่ทำและอยู่เป็นปกติอันนี้คือควาเป็นปกติสีนทั่วๆไปนั่นเองสีนถ้าข้อนี่แหละไม่ได้มากมายอะไรเลยอย่างสมมุติเขาจะมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรมาล่อลวงเราให้โกงสิคุณโกงโกงโกงเราก็ตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่โกงอยู่เป็นปกติอย่างเงี้ยนะแค่เราตั้งใจไว้ะแล้วเราก็ทําให้ได้ด้วยเนี่ยอันนี้คือคุณอยู่ในสีนละอืม ข้อที่สองก็คือจากัดจากัดนี่คือการให้การบริจาค ก, การให้การบริจาค ก, การให้การบริจาค ก, ก็คือว่าเรายินดีในการที่จะจำแนกแจกทาน <Okay. S 1> ไปไหนมาไหนก็ซื้อของมาฝากเพื่อนด้วย <Okay. S 1> ไม่ใช่เฉพาะกินตัวเองอะถ้าเป็นหน้าที่ของผู้บุ้งข้ัญชาก็ซื้อของมีรถประหลาดมาให้ลูกน้องด้วยอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> ลูกน้องไปไหนก็คิดถึงเจ้านายซื้ออะไรมาแบ่งปันกันอันนี้ก็คือจากัดอนนี้ <Okay. S 1> นรวมถึงการถวายของแก่ เนื้อนาบุญมีสมณะพรามเป็นต้นอย่างนี้นะส่วนเรื่องศรัทธาคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะศรัทธาในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้ศรัทธาในตัวสมณะสมุทธ h หรือตัวสมณะโคโดมเนื้อนหนังของสมณะโคโดมตอนนี้ถูกเผาไปไหนเราก็ไม่รู้และแต่ศรัทธาในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้คุณติดใจสดุดได้ไมามอิติปิโส <Okay. S 2> อิติปิสโสพัควาแหละหังสัมมาสัมพุโธ น, นั่นแหค่ ะ, <น> ะ, ะคำว่าอิติปิเนี่ยก็คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ <Okay. S 1> แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันคืออย่างไหนยอย่างไหนโอ้มันเยอะมากกว่าที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทโจาได้ก็คือปฏิจจสมุปบาทถูกไหมจ๊ะค่ะอันนี้นคือผลของการที่พระองค์มีมีความรู้นี้ขึ้นมาทีนี้เหตุที่ทําให้พระองค์มีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทบ้างมีความรู้เรื่องอริยสัจสี่ต่างๆเนี่ยก็คือว่าบําเพ็ญบารมีมาเยอะมากมีความอดทนสูง เด็กปัสสาวะใส่ก็ไม่โกรธก็าไม้มาแยงหูตัวเองนอนอยู่เอาไม้มาแยงหูก็ไม่โกรธเด็กะอมีวราชาแย่งภรรยาตัวเองไปก็ไม่โกรธอถ้าคนจะมาขอดวงตาขอเนื้อหัวใจก็ควักให้ได้อให้ทานได้อย่างไม่มีประมาณโอ้เป็นทำมาเยอะนะทำไปเยอะตอนเป็นพระตุลิศใช่ตอนเป็นตุลิศเนี่ยทามากเลย จนกรทั่งเป็นเหตุให้ได้มีปัญญาขึ้นตรัสรู้คือสัมมสมุวิยานแต่เพราะเราดูเหตุสมมุติมีคนคนหนึ่งเขามาบอกคุณเตือนใจว่า ค, คุณเตือนใจต้องการอันนี้ใช่ไหมทําอย่างนี้สิ ค, คุณเตือนใจจะมีศรัทธาเชื่อในคนนั้นน่ะถามว่าเขาเขาเป็นใครใเขาทําอะไรมาก่อนสมมุติว่าเราคงจะไม่ไปหาแม่ค้าไข่ส้มตําแล้วก็ถามว่าหุ้นจะตัวไหนจะซื้อจริงหรือมแม่ค้าส้มตําไม่สามารถ บ, บอกได้คุณเตือนใจใเพราะว่า คือหมถึงแม่ค้าส้มตำที่เขาขายแต่ส้มตำเขาไม่มีความรู้เรื่องตลาดหุ้นนะน ะ, ะเขาไม่รู้ว่าทองจะขึ้นหรือทองจะลงะแล้วเขาจะมาให้ความเห็นว่าทองจะขึ้นหรือทองจะลงในขณะที่เังขายส้มตำอยู่มันไม่ได้อยู่แล้วใช่ค่ ะ, ะถ้าว่าคุณทําอะไรมาคุณมีเหตุอะไรมาในการที่คุณจะมีความรู้เรื่องนี้ออ่า p r o f เซอร์ Professor, หรือศาสตราจารย์บางคนอยู่แต่ในมหาลัยไม่เคยทําธุรกิจแต่พูดถึงเรื่องการทําธุรกิจให้มันได้ลุกก้าหน้า มันฟังงงๆไปนะอืมเข้าใจไหมคือเราต้องตแ่ละิใช่โดยที่ไม่รู้จริงๆทําได้ผลหรือเปล่าเราจึงต้องอมาดูว่าคุณทําเหตุอะไรๆมาคุณนําเหตุอะไรๆมาสามารถสำุทกเจาของเราทําเหตุอะไรๆมาโอ้หเยอะมากค่ะอธิบายกันจนอาตมาผมหงอกแล้วก็ยังยังไม่สามารถที่จะบอกได้หมดนะผมมันเยอะมากจริงๆ เรบอกง่ายๆผู้เจ้าก็จึงบอกอิติปิโสก็คือเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อืมจึงมาเป็นสมานสุภูชาติได้คือเยอะมากละะ่ะเพราะเราจึงมีควรมีศรัทธาในตรงนี้ศ <Okay. S 1> รัทธาในตรงนี้เพราะว่าผู้เช่านี่รู้หมดทุกเรื่องนะคุณเดินใจอย่างทุกเราจะมีลาบมีเงินมีทองขึ้นมาอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเป็นเรื่องศีลน่ะทําศีลเนี่ยหรอจารคศรัทธาปัญญามันจะรวยขึ้นมาได้ไงอืมเจ้านี่แหละคือคือสิ่งที่ต้องการพูดในวันนี้นะคุณเดินใจถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็น สาระว่าไม่เป็นสาระเนี่ยหรือเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเนี่ยเรา <Okay. S 1> พลาดเลยอืเนี่ยสมาชิกจึงต้องขอบอกสมัยก่อนนะอาตมาโง่โง่กูเดินใจไปเกเป็นคาราว่าแล้วน ะ, ะเรามาสนใจเรื่องสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระอืสนใจสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่ใช่สาระเ <c oughs> ช่นอะไรสมมุติเราสนใจว่าเรื่องอต้องต้องอดทนต้องขยันต้องอะไรล่ะ เห็นหาความรู้อ่ะเราคิดว่ามันไร้สาระว่าสมัยนี้มันสวยเนี่ยแล้วเราอาศัยคบเพื่อนคนนี้ช่วยเราเราคบเขาอย่างเงี้ยนะหรือต้องมาดูว่าคุณอยู่บ้านยังไงขับรถยังไงใช้โทรศท์มือถืออะไรเพื่อที่จะได้มีความก้าวหน้าในที่ทํางานคือเห็นของอ่าเห็นของที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสาระอืมก็ใช่ไหมคือเห็นของที่ไม่ใช่สาระว่าเป็นสาระเห็นของที่เป็นสาระว่าไม่ใช่สาระอื่าอะไรคือที่ไม่ใช่สาระ ก็คอย่างเช่นที่ว่าเนี่ยของข้างนอกทั้งหมดของนอกกายทั้งหลายใช่บางคนจะไปคิดว่าชั้นมาอยู่ที่นี่หรือไปเรียนโรงเรียนนี้แล้วชีวิตชั้นสบายละอมีความสุขได้นะอันนี้มันคือของที่ไม่ใช่สาระแต่เราเห็นว่ามันเป็นสาระสาคัญไม่ใช่ผิดละเราเห็นผิดละเราโง่ละพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงปัญญาในข้อที่4ี่เนี่ยว่ามีปัญญาเนี่ยคือต้องเป็นปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งควรทำอะไรเป็นสิ่งควรละ ใช่ไหมคือถ้าเราคิดว่าไอสิ่งที่มันควรละแล้วจะไปทําเนี่ยคุณพลาดเลยอืมค่ะหรือว่าอันนี้ต้องควรทําแต่เราแต่ไม่ทำเราพลาดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าเอสเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าอันนี้มันมันควรทําหรือไม่ควรทําค่ะอันนี้เป็นจุดสําคัญ <S <S ใช่ <S 2> <S 2> <S นี่แหละคือที่ต้องการจะพูดในนาฬิการวันนี้อนะว่า <S 2> <S 2> <S เราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่ควรทําอ่ะคืออะไรสิ่งที่ควรละเนี่ยคืออะไร แต่พระเจ้าพูดถึงสิ่งที่มันจะมาบดบังทําให้จิตเราเศร้าหมองมองไม่เห็นมีความมืดตื้ออัดอั้นแล้วก็มึนนะคือเหมือนเมฆมาบดบังพาทิตยนะะสิ่งนั้นก็คืออย่างเช่นว่าเรามีความเพ่งเล็งโทรศัพท์มือถือออกใหม่ๆเงี้ยคุณเดินใจมันอยากได้อย่างเงี้ยอันนี้คือคุณเพ่งเลงแล้วนะเพ่งเล็งเพ่งเล็งแล้วนะถ้ามีเพ่งเล็งปุ๊บหรือบางคนเห็นตอนนี้ตลาดหุ้นกําลังราคาขึ้น <Okay. S 2> ทอละกละคดโลาทิดว่าจะไปซื้อเราจะ mm hmm. รวยเป็นมหาเศรษฐีแล้ว mm hmm. ตอนนี้ <Right. S 2> อะอจิตคุณมีความเพ่งเลงแล้ว <Okay. S 2> ถ้าจิตคุณมีความเพ่งเลงอย่างนี้ยคุณจะไม่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรควรละ <Okay. S 2> มืดละจิตมืดอืนอกจากความเพ่งเลงแล้วเนี่ยผู้ชา ย, ยังพูดถึงความพยาบาัตรโกรธอย่างนี้เราดูาสมมุติเราโกรธอะไรสักอย่างในอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะตัดสินใจเรื่องในเรื่องหนึ่งมันผิดพลาดไปเลยนะถ้าเราโกรธ <Okay. S 2> โกรธไม่พอใจเครียดแค้นเดือดดานพวกนี้ไม่ดี คือพูดง่ายนิวรน์ห้านั่นแหละแต <Okay. S 2> นะ่มีความเพ่งเล็งมีความพยาบาดมีความง่งเหาเหานอนที่เขียจที่คร้าน เ, าเบื่อหน่ายมึนตึงนะข้อที่3 <Okay. S 2> ข้อที่4ี่คือความฟุง้งซ่านลำคัญใจนะข้อที่5คือความเครียดแก ร, แรง่งระแวงกังวลสงสัย <Okay. S 2> นะ5่อย่างนี้มันจะทำให้จิตเรามันมืดมึนและเราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้ควรทำอะไร หรือควรละอะไรอืมคอย่างคนดูละครคุณตือนใจละครเรื่องอะไรมันดังๆแรงเงาเจ้าค่ะแรงเงากันแล้วก็แต่ที่ตัวเองต้อ่านหนังสือแต่ไม่อ่านหนังสืออ่ะดันไปทําสิ่งที่ไม่ควรทําไปนั่งดูนะแล้วไม่รักสิ่งที่ควรละใช่ไหมคุณรู้ว่าดูละครนี่มันสองชั่วโมงมันหายไปฟรีๆเลยนะ่่คะแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยอ่าแล้วก็เอ้ยทำไมเราถึงไม่ทําสิ่งที่ควรทํำอะ คุณต้องห่ายหนังสืออย่างเงี้ยอืยแล้วทำเราทำสิ่งที่ไม่ควรทําอ่ะเพราะว่าจิตเราเนี่ยมันถูกห่อหุ้มด้วยไอ้ความอะไรเพ่งเล็งอย่างเงี้ยเป็ตนต้นหรือความอนิบอนทั้งห้านะความเพ่งเลงความพยายามมันอยากดูอะ่ะอยากดูนี่คือเพ่งเลงละ่ะมีอภิชาละมีความเพ่งเลงไหลไปตามสิ่งที่เขาว่ากันว่าดีเพรานะนั้นเราจึงจะต้องเห็นว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอันนี้ถึงจะถูกนะ ช่วงที่เอามามากรุงเทพไปขึ้นแท็กซี่คุณเดินใจเขาแท็กซี่เขาก็เปิดสิ่งที่เขาอยากฟังอนะ่ะนะเขาก็เปิดเพลงเพลงหนึ่งหลวงพ่อก็เคยเล่าให้ฟังว่าคนร้องนี่ร้องพูดภาษาไทยไม่ชัดชนักร้องสมัยนี้บางคนพูดภาษาไทยไม่ชัดช <laughs> เป็นทำนองแบบลูกครึ่งหรื อ, อไรอย่างเงี้ยแหล ะ, ะเขาก็พูดทํานองว่าฉันผู้ชายก็พูดร้องเพลงนี้พูดทํานองว่าจะรักผู้หญิงจนวันตาย วันที่จะหมดรักเธอคือวันที่โลกนี้หยุดหมุนในประมาณนี้นะฟังดูแล้วเนี่ยอถ้าสมมติผู้หญิงฟังเนี่ยก็คงจะฟังดูดีอนะอว่าโอ้รักเรานขนาดนี้แต่สิ่งนั้ น, ม, นมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงหรอกอถ้าเราเห็นว่าถ้าเราจะไปเห็นว่าเอ๊ะมันมันจะเป็นไปได้ไหน ะ, ค, ะคือแสดงว่าจิตของเราเนี่ยไปอยู่ในเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระเนี่ยว่าเป็นสาระอืมเจ้าค่ะ เอายกตัวอย่างง่ายๆอะไรที่เป็นสาระอะไรที่ไม่เป็นสาระก่อนนะเราพูดคํานี้มาหลายครั้งแนละ้วอย่างเช่นว่าอะไรที่ไม่เป็นสาระเนี่ยคือของที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นสาระของที่ไม่เที่ยงทั้งหลายนะใช่ของอะไรที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาทั้งหมดเช่นอะไรบ้างยศตําแหน่ ง, นง<ๆ>บุคคลสิ่งของข้าวของเครื่องใช้บ้านโทรศัพท์มือถือพวกนี้คือผู้เชา่ารวมกันเรียกว่าของที่เป็นกาลิกะคือเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ถ้าเมื่อก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันเพิ่งจะมีมาคุณอย่าไปหวังเลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยรุ่งเรืองมีสี่อย่างที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการได้เจ้ค่ะไม่ได้อืเพราะตัวมันเองไม่เที่ยงแล้วมันจะทําอะไรให้คุณได้อืมเจ้ค่ะแต่คนเราจะมองไม่เห็นจุดนี้นะจะมองไม่เห็นเอ๊ถามว่าทํำไมคุณถึงจะมาเชื่อพระไบบุญเหรือจะมาเชื่อสมณะโคดมเจ้ค่ะก็ถามว่าสมณะโคดมทําไรม S <S <S อืเหตุอะไรที่สมาธิรวมสร้างมาทําให้เขามีความรู้ตรงนี <Okay. S 2> ้แล้วถามว่าคนที่เขามาโฆษณาให้คุณว่าสิ่งนี้เท่านั้นจะทําให้คุณดีขึ้นมาได้เนี่ยเขาทําอะไรมาออืนี่คือศรัทธานะคือความมั่นใจนะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นคนฉลาดอถ้าบอกเรื่องว่าไอ้สีอย่างนี้คือศีลศรัทธาจา ร, รย์ปัญญาจะทําให้คุณได้สิความสําเร็จที่คุณคิดว่าเป็นความสําเร็จของคุณเนี่ยได้เนี่ยคือมันเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งอะไรที่เป็นสาระคุณสนใจเช่นความอดทน ความขยันความซื่อสัตย์ความปฏิบัติตามศีลพวกนี้ไม่เป็นไปตามการเวลาเป็นอะกาลิโก <Okay. S 1> คือไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาพวกนี้เอาเป็นสาระได้ okay. ถามว่าความขยันเนี่ยในสมัยก่อนก็ดีสมัยนี้ก็ดีไม่ต้องพูดถึงอนาคตดีแน่นอน <Okay. S 1> ทุกคนก็ยังจะเห็นว่าความขยัน เ, นเป็นสิ่งดี <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาความขยันเป็นหลักเป็นสาระของการดําเนินชีวิต แทนที่จะเอาโทรศัพท์มือถือเอาอบุคคลหรือเอาสิ่งของเป็นสาระสําคัญนะแล้วเราเอาคุณธรรมเช่นความอดทนความขยนันความซื่อสัตย์พวกนี้เป็นต้นเนี่ยคุณจะไปได้คุณจะประสบความสำเร็จ ไ, ได้ <Okay. S 1> จึงเน้นว่าอะไรล่ะที่เป็นสาระอะไรที่ไม่เป็นสาระเราจะต้องละสิ่งที่ไม่เป็นสาระคือของที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทั้งหมด <Okay. S 2> อย่าเอามาเป็นสาระ จะโทรศัพท์อะไรจะบุคคลไหนท้องฟ้าจะเป็นไงใครจะมาเป็นนายกหรือการเลือกตั้งนี้จะเป็นยังไงการมันจะเป็นยังไงโอ้มันเปลีป่ยนแปลงไม่ใช่สาระ<จ>สําคัญคือไม่ใช่ว่าไม่มีค่านะคือมันก็มีค่าของของเ ข, งขงาไปใช่ไห ม, ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่สาระที่เราจะต้องมาสนใจว่าชีวิตของฉันจะเป็นยังไงคะแต่ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะความพยานมีส่วนนะศีลมีส่วนนะ จาระคาภมีส่วนนะศรัทธามีส่วนวนะปัญญามีส่วนนะ <Okay. S 2> ความเขียนมันเพียนความซื่อสัตย์คุณธรรมอะไรดีต่างๆมีส่วนนะะจะเป็นสาระสําคัญทําให้ชีวิตคุณดีหรือไม่ดีได้ทําไมเราไม่เห็นอ่ะทําไมเราเห็นสิ่งของข้างนอกสําคัญกว่าทํำไมเห็นระบบการเมืองหรือระบบข้างนอกสําคัญกว่า <Okay. S 2> เพราะว่าเราถูกครอบงําด้วยนิวรณ์ทั้งห้านิวัณ์ทั้งห้าเนี่ยที่จะเห็นได้ชัดๆเนี่ยประจอบมาเป็นรูปของความเครียดคุญแจใจ okay. บางคนเครียดลูกเอ้ลูกจะเข้าโรงเรียนอะไรดีนึกไม่ออกว่าจะพาเอารูกไปเข้าโรงเรียนอะไรไปฝากใครด้วยจชมาสมัยนี้สมัยนี้มันจะเข้าปอนหนึงมัน <c oughs> มอนหนึ่งเนี่ยมันแข่งขันกันมากเหลือเกินเนี่ยแปะเจี๊ยก็สูงเอเขาบอกไม่มีแปะเจีย๊ยทำไมมันมีถ้าเราไปใส่ในสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเช่นเราก็เห็นว่าไม่ได้สิเขาจะต้องบอกไม่มีแปะเจีย เราจะเอาตรงนี้มาเป็นสาระไม่ได้เลยอืแต่ถ้าเรามีศีลมีจกระมีปัญญามีความอดทนมีความเขยื้อนเปี่ยนเราทําไปตามระบบนี้ทุกอย่างมันจะสําเร็จขึ้นมาได้อือย่าให้มีความกังวลถ้าเรามีความเครียดมีความกังวลมีความเครีบแคลมมีความเพ่งเล็งมีความพยาบาามีความขี้เกียจมีความงุวงหานอนเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรว่าควรทําอะไรไม่ควรทำคือปัญญาเราจะมึดไปเลยมึดถือไปเลยนะจะทำผิดใช่แล้วก็ไปทําสิ่งที่ไม่ไม่ไม่ดีไม่ถูก คุณทําไปบ่อยคุณทํามากๆเหมือนเอาตัวถูกเก็บไว้ในนรกตัวเองก็ท<ช>ุกข<ช>์แล้วแล้วก็คนรอบข้างก็มีปัญหาด้วยอืเพราะฉะนั้นจึง<ๆ>ต้องเน้นย้ําตรงนี้นะว่าเออเราเราทําถูกหรือเปล่าคุณทําสิ่งที่คุณทำหรือ ย, ยังคุณละสิ่งที่ควรละไหมถ้าคุณวัดง่ายๆสิ่งที่ควรทาเนี่ยเช่นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงใดๆตกอดเวลา สิ่งที่มีคนทําคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นสาระสําคัญคเราจะเห็นได้นะซ้ำมีครั้งหนึ่งเราต้องรักนิวรังทั้งห้า ม, มีแม่คนหนึ่งก็โทรมาหาทามาคุณเตือนใจเขาว่าเขาจะไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าเขาไปไม่ได้ลูกอ้อนอืลูกแบบไม่ลูกจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีแม่เแม่ก็รักลูกไม่อยากจะไปปฏิบัติธรรมเจ็ดวันอย่างเงี้ยแทมาเขาเลยถามเขาว่าถ้าคุณจะเอาตรงนี้มาเป็นสาระสําคัญในการที่คุณจะไม่ มามปฏิบัติธรรค่ะนี่คุณคินไม่ถูกอืมสมมุติถ้าคุณตายตอนนี้ไปอะสมมติขอโทษนะคือถ้าเขาตายจริงๆอะมันมีเหตุใช่ไหม<โ S>คนเรามันตายได้ไม่ยากเลยแค่ไม่หายใจแล้นั่นเองแล้วทําลูกคุณจะอยู่ยงไงอแล้วหน้าที่ของแม่คุณทําะไรอย่างเช่นว่าให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปถ้าอาจะมาจะไปบอกลูกเนี่ยลูกเขาไม่ฟังเราเพราะเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมแต่แม่ต่างหากที่จะเป็นคนบอกแล้วลูกถึงจะฟังอล้ถ้าแม่บอกตอนนี้ลูกไม่ฟังแล้วถามว่า ต, ตอนแม่ไม่อยู่แล้วเขาจะฟังใครจุกค่ะอะและวไ้ความยึดถือเนี่ยมันไม่ได้มาอยู่กับแม่อย่างเดียวนะสมมุติถ้าเขาไปเจอผู้ชายคนอื่นหรือเพื่อนคนอื่นนะเพื่อนคนนั้นดีก็ดีไปถ้าไม่ดีนี่ส่วนเลยเขาไปยึดคนนั้นเนี่ยเขาก็ไปไม่ดีเลยอจุ๊กค่ ะ, ะถ้าเราไม่คลายความยึดถือตรงนี้ซะก่อนหรือฝึกให้เขายอมรับสิ่งที่จะต้องยอมรับเช่นว่าไอ้การจากกันเนี่ยมันไม่บรรไดก็วันหนึ่งถ้าเขายอมรับไม่ได้ถึงวันนั้นม า, าจริงๆเขาจะต้องทุกบบกชกตัวม <Okay. S 2> คือเขาจะต้องให้เขาเห็นอเราก็ทำในสิ่งที่ควรทําที่เขาไม่เห็นที่เขาทําไม่ได้เพราะว่ายังมีความอเพ่งเล็งกันอยู่อเพ่งเลง็งคือความเพ่งเลงเนี่ยหมายว่ารัพย์ของผู้ใดขอสิ่งนั้นจะมาเป็นของเราหรือขอให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยนะ okay. ความเพ่งเลงตัวนี้เราจะต้องละออกไปให้ได้ถ้าเราละได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำํำคือหลายๆคนเนี่ยที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิต หรือว่าจะต้องการคลี่คลายสิ่งต่างๆไปได้เนี่ยแต่ว่าไปสร้างเหตุไม่ถูกอ่ะอืมอนี่คือที่ประเด็นที่เราพูดกันวันนี้เราจะทําเหตุที่ถูกต้องได้อย่างไรนี่แหละคุณจะต้องสรุปอีกครั้งหนึ่งนะเอานิบอลห้ออกไปนิบอลห้าก็ได้แก่ความเพลินเพลอืมความโกรธความปยาบากความโกรธใจแล้วก็ความขี้เกียจนอนขี้เกียจขี้คร้านเบื่อนายพวกนี้เอาออกไป นะความฟุง้งซ่านาำการใ จ, จแล้วก็ความเคลือบแคลงระแวงสงสัยคเคลือบแคลงระแวงสงสัยในคำสองบุโชาเป็นต้นเอาออกไปแล้วจะสว่างละเราจะรู้ว่าซ้ายควรเลี่ยงขวาควรไป ค, ควรเลี่ยงคืออะไรสิ่งที่ควรละทั้งหมดนะไม่เอามาเป็นสาระสำคัญนะสิ่งที่ควรทำคืออะไรทำบงังบุโรชาทนะิทำสิ่งนี้ทำมันอยู่ในศีลนะกับเพื่อนดีมีความอดทนมีความ ยันกันแข็มีความเื่อแสบเป็นต้นทําสิ่งนี้ไม่ว่าลมมันจะพัดไปทางไหนลมเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะลมปากคนการเมืองอะไรต่างๆมันไปทงไหนเรามั่นคงอยู่ในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของเราเราจะไม่เขวแล้วเราก็จะไปตามเขาเรียกว่าไปตามธรรมะได้คือคือจิตจะสงบอยู่ได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเกิด อะไรขึ้นก็ตามที่มันพลิกผันไปแต่ถ้าเรายึดมั่น อ, อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นาสาจรย์ว่าเ<ช>ค่ะที่เป็นสาระสำคัญเป็นแก่นสาร <ừ> จริงๆ <ừ> ก็ <ừ> อย่างที่พระอาจารย์ยกมาอย่างเช่นว่าเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องดำรงชีวิตอย่างเรียกว่า มีความขยันมีความอดทนประหยัดมีศีลมีคุณธรรมคือเดินทางไปในทางที่ถูกเนี่ยไม่ว่าภายนอกมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือวุ่นวายอย่างไรเนี่ยจิตเราก็ยังสงบและเป็นสุขอยู่ได้ใช่ไหมใช่แล้วด้วยจิตแบบนี้เราจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้อืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดูดูตรงนี้คุณสร้างเหตุถูกไหม ตัวอย่างง่ายๆเยอะแยะไปหมดอย่างเตัวอย่างที่วัดปด่าดอนไนโศอย่างเงี้ยค่ะมีเขามาขายเครื่องกรองน้ําคุ่นใจอือเจ้าค่ะเขามาขายเครื่องตกรน้ํานี่นะประสิทธิภาพดีมากเลยกรองน้ําได้เทา่านี้ลิตรตัทนทีกรองสารนี้ได้น้ําออกมาใสาแจ๋วจ ร, ราคาก็ถูกก็ใส่กรองเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ชนิดใหม่ก็ว่าไว้นะแต่เขาไม่รู้เลยว่าน้ําบาดาลที่วัดเนี่ยมันมีสารประกอบอะไรบ้างอือเจ้าค่ะแล้วคุณมาขายอะไรกรองอกมาก็ไม่รู้ว่าแก้ปัญหาได้จริงไหม เ <Okay. S 2> นี่แหละกาลังเป็นตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้ทราบว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้ยคุณติดตั้งเครื่องกองน้ําชนิดนี้หรือว่าคุณซื้อซื้อเครื่องเสียงใหม่อย่างเงี้ย <Okay. S 2> คุณไม่รู้เลยว่าห้องคุณตอบสนองต่อความถี่แบบไหนคุณจะเอาเครื่องเสียงบริษัทนี้โอทํามาอย่างดีแต่ปใสบ่บางทีมันมีเสียงหอยมีเสียงกล้องอเราไม่รู้เลย <Okay. S 2> เพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาถูกจุดแต่เราไปสนใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ <Okay. S 2> เช่นว่าบริษัทนี้เขาผลิตอย่างนี้เขาทําอย่างนี้เขาก็ เทคโนโลยีอะไรเขาก็จับใส่เข้าไปนะ <Okay. S 2> อันนั้นไม่ใช่สาระสําคัญ <Okay. S 2> สาระสาคัญคือมันตอบโจทย์คุณได้ไหมตอบโจทย์ว่าต้องการมีสารประกอบอะไรในน้ําเรากรองออกห้องของเราเป็นอย่างนี้เราต้องการเสียงแบบนี้เราต้องหาเครื่องเสียงแบบนี้มาใส่ <Okay. S 2> ถึงจะถูก <Okay. S 2> ถ้าเราคิดได้ถูกระบบปัญหามันจะคลี่คลายไปได้ในชีวิตอืเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยจึงต้องการจะจะสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราต้องรู้นะว่าอะไรควรละอะไรควรทํา เราจะรู้ว่าอะไรควรละอะไรควรทําในสถานการณ์ไหนๆได้เนี่ยจิตคุณต้องสว่าง <Okay. S 1> จิตคุณต้องมีอสว่างจิตคุณต้องเห็นได้จิตคุณจะสว่างจิตคุณจะเปิดจิตคุณจะโล่งจิตคุณจะเบาได้เนี่ยคุณต้องเอานิวร อ, ออกในนิวรคือความเพ่งเลงความกังวลความเ ค, ครียดแคลงความง่วงเหงานอ่ที่หยีรัดเอาออก <Okay. S 1> เอาออกเสร็จแล้วจิตคุณจะสว่างจเจ้าออกได้ไงนิวรเนี่ยแล้วมันมันมากังวลมันเครียดมันมึนมันตึงมันมึนอยู่ตอนเนี้ย ก็คือต้องมีสติอยู่เรื่อยๆ <Okay. S 1> อนิวร์เนี่ยเป็น oh. อาหารของอวิชชานิวร์เป็นอาหารของทุจริตสามนิวร์เป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลย<ๆ>นะเราจะเอานิวร์ออกได้เนี่ยเราก็ต้องคอยมีสติอยู่เรื่อยๆนะทําความดีฟังธรรมะด้วยนะแล้วก็พบเพื่อนดีพวกเนี้ยจะทําให้นิวร์มันจางคลายจิตเราเปิดโล่งได้<ๆ><ๆ>ในรายการธรรมารุ่มเราก็จะต้องให้ธรรมะที่ทวนกระแสะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ มีอาตมาพูดว่าเออคุณต้องใช้สิ่งนี้หรือเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกเราพูดไม่ถูกละมันไม่ใช่อาการดิโกะอาตมาของหูะเจ้าจําไม่เป็นจริงตลอดกาลแต่เราคงพูดถึงคุณธรรมอันแดนหนึ่งที่เมื่อเราทําแล้วไม่ว่าจะเป็นสมัยนี้สมัยอนาคตหรืออดีตที่ผ่านมาก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงว่าคุณธรรมสี่อย่างที่ใครๆคิดว่าจะทําแล้วคุณจะมีความสําเร็จนี่คือเรื่องของพกซับ เรื่องของยศชื่อเสียงมิสหายเพื่อนฝูงข้อที่สามคือเรื่องของอายุยืนไม่ป่วยไข้ใช่ไหมข้อที่4ี่คือเหมือนกับไปสวรรค์เนี่ย4อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับคุณได้แน่นอนนะถ้าคุณทำสี่อย่างนี้อีก4อย่างหนึ่งนะคือศีลสัตธาจารกะปัญญาคือมีศีลมีศัทธามีจารกะและปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงอะไรปัญญาในที่นี้หมายถึงเห็นว่าอะไรควรทําอะไรควรละ เห็นว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระของชีวิตเราถูกต้องถ้าคุณมีสีอย่างนี้ปุ๊บคุณจะได้สี่อย่างนั้นอืคือความสําเร็จในชีวิตที่คุณว่าเจ้าแน่นอนเจนี่คือพระเจ้าตรัสไว้้าอันแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้นั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเจ้าค่ะสามารถพิสูจน์ได้ตลอดทุกการเวลาใช่แลิโกเจ้าค่ะเป็นอะคาลิโกแล้วก็ยืนนานมา ท้าทายการพิสูจน์ทุกการเวลามาถึง 2,600 ปีในปีนี้แล้วนะเจ้าคะเจ้าคะยมคิดว่าเรื่องของคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่พระอาจารย์ภับุตรอภิปรนณโญได้เมตตาสากฉามาในรายการธรรมารบพุนเช้าวันนี้นี่คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอย่างมากทีเดียวไม่เฉพาะชาวพุทธศาสนาชนนะเจ้าคะยมคิดว่าถ้าแม้แต่คนที่มีความเชื่ออื่นๆซึ่งทุกศาสนายมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเป็นศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดีแต่ถ้า คนศาสนาอื่นได้รับฟังแล้วแล้วลองคิดตริตรองดูเนี่ยยมคิดว่าแลนํนำไปปฏิบัติบ้างนี่ก็ถือว่าคงไม่ผิดบาปนะจะมีประโยชน์มากทีเดียวเพราะไม่ได้เรื่องความเชื่ออะไรใครแล้วก็เป็นธรรมะทั่วไปธรรมชาติอย่างหนึ่งะยมก็ขอกราบ นำ้ำมศการขอขอบคุณพระอาจารย์พิบูลและพี่ปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะที่ได้เมตตามสาสักษาในวันนี้ว่าเราจะสําเร็จในชีวิตอย่างไรเราควรจะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างที่พูดคุยกันในเช้าวันนี้นะเจ้าคะ่ะค่ะท่านฟังค่าเวลาในรายการธรรมาราปรลุลนเช้าวันนี้หมดลงอีกครั้งนึงแล้วคะ่ะแต่ว่าเช้าวันพรุ่งนี้นะคะตีห้าเราจะกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมารบรุลแล้วก็ยังเป็นช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะที่ดิฉันจะหยิบยกประเด็น ที่น่าสนใจมาพูดคุยกับพระอาจาร ย, ย์ไพบุตรอภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมลิกเล้นของวัดป่าดอนหายสูต ตั้งอยู่ที่ตำบลตอไทยโจอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีคะ่ะวันนี้เรามีพระเดชพระคูณหลวงพอ่อดรสะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระคูสิทธิปภะก่ท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็มีการที่จะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติธรรมริเลนตามพุทธประนะหรือพุทธโอษฐ์นี้เป็นประจําทุกเดือนด้วยท่านผู้ใดสนใจก็เข้าไปได้ที่ไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครกันได้ที่เว็บ ใช้เพียวธรรม .com ก็จะทําให้ท่านนั้นได้มีโอกาสที่จะเข้าไปรู้ว่าสิ่งที่เป็นอาการิโ hmm. กคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและคําสอนของพระองค์นั้นมีคุณค่ามีสาระอย่างไรบ้างนะคะค่ะเช้าวันนี้ก็ต้องขอนำท่านผู้ฟังกรับนมัสการลาพระอาจารย์ใบบุญอภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะพบกันในเช้าวพรุ่งนี้เวลาตีห้าเหมือนเคยคะ่ะกรับขอพระคุณและกลาบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเสี่อนสาธุเจ้าค่ะ